เพิ่งมาจบวันนี้พอจบแล้วทีนี้ก็เบาแล้วทะนี่เหมือนกับฟ้าฝนคึก ข, ขนองมาแล้วก็ตกลงแล้วก็ผ่านไปเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่องานผ่านไปก็ให้มันผ่านไปอย่านำมาคิดอย่านำมาปุงฟุงสัน่น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 ภิกษุพึ่งพิจารณาเนืองเนืองภิกษุสมัมมเอ็นพึ่งพิจารณาเนืองเ น, องเนืองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะให้ทขาว่าไม่ให้ลืมตัววันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยูนะ่ถ้าว่าพวกเราถามตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าขณะนี้เราทำอะไรอยู่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 เสมอกันหมดเกิดมาในพื้นปฏิพีแผ่นดินนี้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าลืมตัวอย่าทานองตนอย่าโอหังให้พิจารณาอยู่เสมอว่าเราจะต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมเราจะพยายามสั่งสมคุณงามความดี เราจะปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเราจะมั่นในศีลอาชารวัดการเป็นอยู่ตามแนวแถวของพระพุทธเจา้าครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเอาไว้นะสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราคิดไปอยู่เสมออย่าประมาทพระพุทธเจา้าสอนไม่อยู่เสมอว่าประมาทเป็นคํานึ่งคือความนอนใจความตายใจ ความไม่คิดไม่อ่านประมาทความว่าประมาทของบุคคลทีเจ้าไม่ใช่ว่าปลามาดคนอื่นดูถูกเหยยดยามคนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นประมาทในชีวิตของตอนเองกับว่าชรานอนใจไม่ได้คิดไม่ได้อ่านในจุดที่มันจะเป็นไปดัะนั้นให้พวกเราเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอสังสมคุณงามความดีสังสมบุญกุศลไว้อยู่เสมอ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 อาดสติคิดเลื่อยเปื่อยคิดแบบไม่รู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรแต่ละวันแต่ละเวลาบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องก็คิดอยู่อย่างนั้นมันไม่รู้ว่าคิดไปเพื่ออะไรแต่พอมาสานึกจาเลียดได้เราคิดไปเพื่ออะไรเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเราคิดเรื่องอะไรทำไมเราไปคิดให้งโง่ทำไม ถ้าเราจำเนียกจำนึกระหว่าเราคิดได้อย่างนั้นก็นนะับว่าเป็นผู้มีสติสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้ว่าเราคิดไม่ถูกแล้วเขาคิดถูกสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวว่าว่าเราคิดอะไรที่ผ่านมาหรือขณะนี้เราคิดเรื่องอะไรมันถูกต้องเป็นธรรมควรจะคิดไหมหถ้าเรามีสติมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าไม่มีสติแล้วก็อย่างว่าเนี่ยนะ ไม่รู้คิดเลื่องอะไรเออเลยเหย้ยลอยลมไปเรื่อยเรื่อยเปลยไปเรื่อยบางทีเม่อลอยไปอพอดีเข้ามาเขาจะดุ่งเหยาะเพราะว่าตัวเองมันขาดส ต, ติมันมันลอยสติมันลอยใจมันลอยเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะให้เป็นอย่างนั้นไปวัดเตรียมพร้อมอยู่เสมอสติอยู่กับตัวเองอยู่เสมอนั่นแหละนักจังหวัดนักปฏิบัตินักภาวนามานักฝึกฝน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 ก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราคือเวลานั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นในเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วทีแรกก็เกิดศรัทธาศรัทธาว่าเชื่อว่าพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์ได้นำสั่งสอนนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลน่านับถือน่าเชื่อถือฟังแล้วมีเหตุมีผล mm hmm. เมื่อเราเชื่อศรัทธาเชื่อแล้ว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 ในการปเคอในธรรมแต่ละขั้นเหล่านั้นเพราะนั้นพวกเราท่ทานทั้งหลายเรื่องทานเรื่องศีลก็เป็นพอเป็นมาแต่เรื่องสมาธิจิตภาวนาเนี่ยนะอยากจะให้พวกเราเน้นหนักจุดนี้ให้มากๆสำหรับพวกเราทั้งหลายถึงจะเป็นคารวาสญาติโยมก็เถอะแล้วว่าเป็นพู่มอยู่แถวหน้าแล้ว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 น้ำมหาสมุรทระเลอันนันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็นไหลแก่เข้าไปจนถึงจุดจบคือมรณะภัยคือความตายอันนี้คือร่างกายของมนุษย์ชาติของพวกเราไม่ว่าอยู่ชาติชั้นวรฒ น, นะไหนไม่ว่ายากจนล่ํำรวยยศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งขนาดไหน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 จะเป็นลักษณะอย่างนั้นคพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ดูนะดูใจของเรานะดูกายของเรานะการปฏิบัติธรรมยไม่มีอื่นไกลเรามีอยู่สองเท่านั้นเองรูปประธรรมกับนามธรรมรูปประธรรมนั่นคืออะไรก็ ค, คือร่างกายไม่เป็นอย่างอื่นนามธรรมนั่นคืออะไรคือคือใจนะั่นแหะใจของเราเนี่ยมันหลงร่างกายสรุปแล้วมันหลงร่างกายเพราะร่างกายมันถือว่า ร่างกายเนี่ยมันออกมาจากท้องแม่เข้าไปปฏิสนธิไปยึดอยู่ในท้องแม่ออกมาจากท้องแม่แล้วมันก็มายึดตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเหมือนกับขับรถคันนี้อยู่ตลอดเวลาใช้อยู่ตลอดเวล า, าจะให้พูดให้ทำให้ขับเคลื่อนอะไรก็ตามร่างกายนี่ก็พยายามประคับประคองหาหยุกหายาดูแลรักษาอะไรทุกอย่าง จนเป็นเท่ว่ายกายกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใจเป็นอะไรก า, นนกายเป็นอะไรกายเป็นในใจเป็นนั้นมันยึดติดถึงขนาดนั้นแต่อีกสักวันหนึ่งเทนี่ร่างกายของมันก็ไหลไปสู่สภาพอย่างที่ว่านั่นแหะจะต้องแตกสลายพอถึงจุดจบของมันมันก็จะต้องแตกททนี้ใจของเราไม่อยากจะให้มันแตกเทนี่เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนเออทุกข์อย่างหนักหนักไม่มีอะไรที่จะรักยิ่งกว่าชีวิตของตนเอง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 ไม่มีอย่างอื่น อ, อบางคนเกิดเมื่อพูดไปแล้วแต่มาเจอเข้าของจริงเข้าจริงๆเองก็รับไม่ไหวเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะว่าการพูดและของจริงมันคนละอย่างกันนะแล้มันคนละเรื่องกันเลยทีเดียวอ อ, อย่างทุกขเวทนาเราพูดเราพิจารณาได้แต่พอมาเจอเวทนาตัวจริงเข้าท่านั้นละ่ะมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอ ถึงยังไงยังไรก็เถอะเราต้องรู้เอาไว้ว่ามันจะต้องเกิดกับเราแน่นอนไม่ต้องสงสัยไม่มากก็ต้องน้อยละก่อนที่จะตายอย่างน้อยก็ต้องหายใจไม่ออกหายใจฝืดระว่างนั่นเออบางทีก็หายใจไม่เข้าทุรักทุรนทุลนทุลายระว่างนั่นเถอมันจะต้องมีเวทนาตัวหนึ่งที่มันจะมาทำให้เราใจขาดไปเราตายไปเพราะนั้นให้ดู ดูกายดูใจจากนั้นเราต้องดูใจคนตนเองทางว่ามีอะไรเกิดขึ้นต้องดูใจของเราทันทีเลยถ้าว่าใจจะขาดแล้วเหลือคราวนี่อร่างกายมันจะแตกไปเลยแล้วจะจากเราแล้วเหลือเนี่ยเนี่ยเราก็ดูใจของเราใจของเราหวั่นไหวไหมใจของเราทุกข์กำมันไหมในเมื่อร่างกายจะแตกเนี่ยเนี่ยให้ดูใจทำใจให้เป็นกลางทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบทาใจให ไม่ให้กวนกระวายไม่ให้ทุรนทุลายอถ้าจิตใจของเราเป็นหนึ่งเนียงนะใจขาดในขณนะนั้น่ไปพรมเลยงั้นเถอะไปเกิดเป็นพรมลเลยมันเกิดญาณทัศนะขึ้นมาเลยจิตใจไม่ทุกไม่ร้อนเพราะว่าการภาวนาเนี่ยตายแล้วไปสู่พรมนะถ้าอันนี้สงทานอันนี้สงสินเนี่ยไปสู่สวรรค์อา่าไปสู่สวรรค์ชั้นไทยชั้นหนึ่ง จนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดเนี่ยโดยอ น, นิสงทานสินแต่อ น, นิสงภาวนาเนี่ยถ้าว่าเราพยายามทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งได้แล้วเนี่ยเกิดญาณทัสนาเนี่ยโดยมากเป็นพรหมอายุยืนนา น, นจนทับไม่ทวนมีมากต่อมากไม่ใช่แต่พระสงฆ์เท่านั้นที่ไปสู่พรหมได้หรือสีสีภัยที่ท่านปฏิบัติก่อนพุทธศาสนาหรือในพุทธศาสนาของเราด้วยก่อน นาพุทธศาสนาของเราอุบัติขึ้นในโลกหรือศีชีพายนี่ท่านอยู่ในป่าท่านเพ่งกรสินด้วยวท่านทําสมาธิจิตใจของท่านสงบท่านไปเกิดเป็นพรหมมากต่อมากบางพรหมหนึ่งจนนับครนาหาประมาณไม่ได้ว่าข่านี่เกิดมานานเท่าไหร่อายุพรหมเนี่ยืนถึงขนาดนั้นแหล ะ, ะเพราะนั้นเรื่องการปฏิบัติแต่ว่า เราต้องการไหมท้่จะไปพรมอย่างนั้นก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถึงยังไงก็ดีกว่าตกนรกว่างั้นเอ<ะ>ดีกว่าตกนรกไปอยู่เป็นพรมก็ยังดีออกจากพรมมาก็มาสังสมบรรมีอีกถ้าเป็นไปได้ก็เข้าสู่พันิพานนั่นแหล ะ, ะแดนโมร ม, มสุกจบการเพียงเท่านั้นแต่ถึงยังไงถ้าว่าไปเป็นพรมแล้วก็ลงมาจะมาเกิดอีกเพ้อเพอยังมาเกิด เป็นสัตว์ทิละฉานก็มีอย่างที่นางสุกรที่หลวงพ่อเคยเล่าในธรรมประทัดทกถาให้ฟังนั่นแหละไปเกิดเป็นผมแล้วลงมายังเกิดเป็นหมูอเพราะนั้นมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหะวิญญาณเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นพวกเราควรจะพยายามบำเพ็ญให้จริงจังดูกายดูใจของเราใจของเรามีอะไรบ้าง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 เจาอลงไปสู่ที่ใจของเราเห็นที่ใจของเราเราจะรู้ได้ว่าใจของเราในขณะนี้เป็นยังไงใจของเรามาคิดในทางไม่ดีมันก็เศร้าหมองเป็นทุกข์ใจดำใจเศร้าหมองใจเป็นอกุศลแต่ใจที่ผ่องใสใจที่ผ่องใสใจดีใจใจมีความสุขอันนั้นมันอยู่ในใจมันอยู่ทั้งสองอย่างนั่นะ แต่ อ, อพยยากตาเนี่ยจิตเป็นกลางๆเนี่ยมันน้อยมากเนี่ยมันเกือบจะไม่มีโดยมากมีแต่มันเวี่ยงไปข้างหนึ่งมันเวียงไปข้างหนึ่ ง, ง, ง, งอลูกตุ่มมันอาจจะเวียงไปทางเส้าหมองมันก็เวียงมาทางผองสายแต่ละวันแต่บางครั้งมันเวียงไปทางเส้าหมองซอิยืดยาวอแต่บางครั้งก็เวียงมาทางผองสาซะแต่โดยมากบอผองสมีน้อย น้อยกว่าเศร้าหมองเพราะโดยมากเศร้าหมองเ็คือตัวกิเลสรคาคะบังโทษะบังเนี่ยเขามาทางทางนั้นเนี่ยเพราะนั้นมันอยู่ในใจของเราน่ะถ้าจะว่าไปแล้วไม่อยู่ที่อื่นเออทำไหมถ้าเราศึกษาถ้าเราปฏิบัติแล้วมันอยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ใจเท่านั้นอ่ะเออทีแรกก็ตีเมืองเออ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 ปิ้งลอกอยู่ทั้งวันทั้งเวลาเป็นเสียตลับเอนะถ้าหลับไปยังฝันละเมอไปอีกนงะใจมันเป็นอย่างนั้นพอตื่นขึ้นมาก็ได้ได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้เอนะีแล้วก็มองไปเห็นกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็หวั่นไหวกวยแข่งเห็นรูปที่พอใจเอใจของเรากั น, นั่นแหละคิดไปในทางที่พอใจจิตใจก็เบิกบานจิตใจก็สดชื่นขึ้นมาเไง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 เป็นเครื่องใช้ของวิญญาณใจประยาติจิตราตรวงนี่ที่มันออกไปใช้ตามประตูหน้าต่างต่า ง, างเพราะนั้นพวกเราให้สังเกตดูที่พูดให้ฟังเนี่ยที่พ่อแม่กูบายอาจารย์ที่ท่านได้พูดได้กล่าวให้ฟังให้พวกเราสังเกตดูมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นสรุปแล้วก็คือกายเนี่ยเป็นบ้านของใจใจคือนามธรรมนั่นแหละอาศัยกายนี้อยู่ จนติดงอมบางั้นแหละจนถอนตัวไม่ขึ้นมันติดอย่างหนักหนักติดเอาอย่างมากๆาติดกายอันนี้เพราะนั้นเวลาร่างกายจะแตกเนี่ยจึงโผย่ายแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนเยมีความทุกข์เห็นได้ชัดเจนเลยออกมาทางตาทางหูทางจมูกนั่นแหละเห็นทางร่างกายนั่นแหละเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่อยากตายเขาอยากจะอยู่ เขาทุรนทุลาย เ, เพราะว่าเขาเป็นทุกขนะ์นี่นะใจมันสั่งการออกมาผลในสุดร่างกายมันไปตามสภาพของมันใจสั่งไม่ได้นะบ่เนี่ยใจสั่งไม่ได้ก็อยู่เน่งเลยมดสภาพผลในสุดก็ตายถอดออกจากร่างกายใจถอดออกจากกายถอนออกจากกายแปลว่ากายหมดสภาพแล้วขยับตัวไหนก็ไม่ออกแล้ว จะทําอะไรก็ไม่ได้ล่ะร่างกายหมดสภาพร่างกายตายแล้วอหยุดแล้วหัวใจหยุดเต้นแล้วใจก็ไมรู้จกมายึดอะไรจากร่างกายผลสุดร่างกายก่อนเปือยเน่าสู่ดินน้ําลมไฟส่วนใจนั่นก็ออกจากร่างไปนั่นแหละทีนี้ไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆ น, ะนี่แหละตัวนี่แหละที่พระพุทธเจ้าที่กูบายจัน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 ตีกิเลสราคะโทสะโมหะตัวนั้นให้แตกกระจายออกจาก จ, จิตใจเมื่อมันออกไปก จ, จิตใจใจมันก็โดดเด่นดวงนั้นใจบริสุทธิ์ขึ้นมากิเลสหลุดออกไปหมดหมดเชือ้อเมื่อหมดเชื้อแล้วเจนน่ะใจบริสุทธิ์แล้วไม่มาเวียนว่ายตายเกิดแลวบัน้จบไม่มีอะไรที่จะมาปรับปรุงมาบัญชาใจตรงนั้นได้อีกแล้ว เพราะนั้นใจรวงนั้นหมดเชื้อหมดกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจบริสุทธิ์ไม่อยู่ที่ไหนนะสรุปแล้วก็อยู่ที่ใจเท่านั้นพวกเราที่พิจารณากายนี่ก็คือเหมือนกับเราเดินทางเข้ามาเปิดประตูเข้ามาเพื่อจะตีเมืองท่านเองเอาธรรมะเข้ามาตีเมืองตีกิเลสอะไรงั้นเถอเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายพยายามสั่งสม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 ยาวสักหน่อยนะตัวนี้ไปเอานั่งสมาธินาะทีนี่นะ